เด็ดลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในราสีเมธพลศเมธทุนกอรกณ ต้องประเคราะห์ตัวกลางต้องประเคราะห์ตัวในต้องประเคราะห์ตัวใดๆขอให้คุ้มเสนียจันไรขอให้มีชัยย่ำมงคลคุ้มโทษโทษสาวิญญาณนิรัน สเสด็จลงมารักษาอายุข้าพระเจ้ า, เาไว้ได้สิบห้าปีเวียนรอบในราสีเมตรพรสศเมทุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิก Seven y e a n g i o u I'm not afraid. เนรา I'm e y No, n no, no, n เด็ดลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าไว้ได้ย1อดปีเวียนรอบในราสี